สังคาทิเศษสิกขาบทที่แปดภิกษุณีผู้ถูกตัดสินให้แพ้คดีในอธิกรณ์เรื่องหนึ่งโกรธไม่ยอมสละกรรมจนกระทั่งสงสวดสมนุภาพครบสามครั้งต้องอาบัตสามอย่างคือ 1. จบยติต้องอาบัตทุกกฎ 2. จบกรรมวาจาสองครั้ง ต, ต, ต้องอาบัตทุนละใจ 3. จบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอาบัตสังคาทิเศษ